พระพุทธเจ้าทรงสอนพวกเราเชาวพุทธให้มันพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากกันอยู่เนืองๆเพื่อความไม่ประมาทนอนใจเพื่อความไม่หลงยึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้และเพื่อการไม่ยึดติดกับสังขารร่างกายของพวกเราเพื่อที่เราจะได้แสวงหาที่พึ่งทางใจที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาใจของพวกเราไม่ให้ทุกข์กับความแก่ ไม่ให้ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ทุกข์กับความตายไม่ให้ทุกข์กับการพัดพรากจากกันสงสอนให้เราหมั่นพิจารณาอยู่เ น, เนืองว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นความพัดพรากจากกันไปไม่ได้ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่บ่อยๆทุกวันทุกคืน เราจะไม่หลงไม่ลืมแล้วเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้จะต้องมีการพัดพรากจากกันไปชีวิตของเราร่างกายของเราจะต้องมีวันแก่วันเจ็บและวันตายไปมันก็จะทำให้เราลดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะไม่ว่าจะเป็นร่างกายของพวกเราเรารู้ว่าสั ก, กวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับการพัดพรากจากสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่กันนี้ พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีทำให้พวกเราไม่ทุกข์กันได้นั่นก็คือให้เรามาเจริญสีลสมาธิปัญญามาบาเพ็ญจิตตะภาวนามาควบคุมใจควบคุมต้นเหตุที่ทำให้ใจของเราทุกข์กันด้วยการใช้สติและใช้ปัญญา สติจะหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจได้และปัญญาก็จะทำลายความคิดความอยากต่างๆที่สร้างความทุกข์ใจให้กับพวกเราพวกเรานี้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ไม่ต้องทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องทุกข์กับความตาย ไม่ต้องทุกข์กับการพลาดลาดจากกันเพราะเรามีพระพุทธเจ้าผู้ที่ทรงค้นพบทางสู่ความพ้นทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายจากการพลาดพลาดจากสิ่งต่างๆทั้งหลายไปถ้าเราไม่พิจารณากันอยู่เนืองๆ เ, เราก็จะถูกความหลงเข้ามาครอบงำจิตใจ ทำไม้เราลืมว่าเราจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายกันจะต้องพัดพรางจากกันแล้วความหลงก็จะหลอกให้เราไปหาลาบยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายกันจนลืมไปว่าเราจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายเราจะต้องพัดพรางจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิน่นรสผลตภะไปพอเวลาเกิดเหตุการ์ขึ้นมาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเกิดความตายขึ้นมาหรือเกิดการพัดพรากจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิน่นรสผลตภะขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจกัน นี่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเหมือนกับฝนตกน้ำท่วมถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในที่ที่จะต้องมีน้ำท่วมถ้าเราเตรียมป้องกันไว้ก่อนเช่นถ้าสร้างบ้านก็สร้างให้มันสูง ให้มันสูงกว่าระดับน้ําที่จะท่วมได้เวลาน้ําท่วมมันก็จะไม่ท่วมบ้านเราแต่ถ้าเราไม่คิดว่ามันจะท่วมเราก็จะสร้างบ้านตามความพอใจของเราสร้างบ้านแบบติดกับพื้นดินเพราะไม่เห็นว่ามันเพราะเวลาน้ําไม่ท่วมนี้มันดูดูก็ไม่เห็นว่ามันจะน่าท่วมแต่อย่างใด แต่พอวันดีขึ้นดีเวลาฝนตกหนักตกมากๆน้ำไหลมาที่เรามากๆนีม่มันก็ทำให้ที่ท่วมได้ขึ้นมานี่เป็นเพราะว่าไม่ได้คิดเผื่อไวในอนาคตว่าจะต้องเกิดน้ำท่วมกันถ้าคิดว่าจะต้องเกิดน้ำท่วมกันก็เตรียมป้องกันภัยกัน เตรียมสร้างบ้านสร้างอะไรให้มันสูงกว่าระดับน้ำพอน้ำมามันก็จะไม่สร้างปัญหาให้กับเราอันใดชีวิตของพวกเราก็ถูกน้ำแห่งความไม่เที่ยงแท้แน่นอนคืออันนี้จังมาท่วมชีวิตของพวกเรามาทำให้เรา ต้องสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกเนื้อง่ายไปทำให้เราต้องสูญเสียร่างกายที่จะต้องแก่ที่จะต้องเจ็บที่จะต้องตายไปแต่ถ้าเราหมั่นพิจารณาอยู่เนืองเนืองเราจะไม่ลืมเราจะไม่หลง เราจะไม่ไปแสวงหาสิ่งต่างๆที่เราจะต้องเสียไปเช่นลาบยศสรรเสริญลูกเสียงกลิ่นลดผพะทพะที่พวกเราหากันแบบไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมีการพัดพากจากกันถ้าเราคิดอยู่หนึ่งๆนี้เราจะถามตัว เ, เราเองว่าหาไปทำไมหาไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้อง จากเราไปหรือเราจะต้องจากมันไปเหมือนกับสร้างบ้านไว้ในที่ต่ําแล้วก็เอาข้าวเอาของไว้ในบ้านเต็มไปหมดนแล้วถ้ารู้ว่าน้ํามันจะท่วมสักวันหนึ่งนี้เราจะทําไปทําไมพอเวลาน้ําท่วมขึ้นมานี่ข้าวของก็เสียหายหมดบ้านก็เสียหายหมดอันนี้ก็เป็น เรื่องของการไม่ประมาทเรารู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกันแต่แทนที่เราจะเอาความรู้นี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เรากลับไม่พยายามคิดถึงมันไม่อยากจะคิดถึงมันกันเพราะเวลาเราคิดแล้วมันทำให้เราไม่สบายใจ สาเหตุที่เราไม่สบายใจก็เพราะกิเลสตันหาความอยากของพวกเรานี้เองที่อยากจะหาราบยศเส ร, ริญหาความสุขทางตาหูจมูกรินกายกันหาความสุขจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือกันก็เลยทำให้เราไม่อยากจะคิดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่าง ของร่างกายของพวกเราเพอคิดแล้วมันจะทำให้เราไม่สามารถที่จะหาสิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่เพราะเราจะต้องเกิดความกังวลเกิดความวิตกว่าสิ่งต่างๆนี้จะเกิดขึ้นมาได้เมื่อไหร่แต่ถ้าเรามี มีธรรมะมีเหตุมีผลการรู้อนาคตนี่มันดีกว่าการไม่รู้อนาคตการรู้ว่าน้ำจะท่วมอย่างนี้ถ้าเรารู้เราก็ย้ายที่อยู่ไปก็ได้อยู่ตรงนี้มันท่วมเราก็ย้ายไปอยู่ที่มันไม่ท่วมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็หมดปัญหาไป แต่ถ้ารู้ว่าน้ำจะท่วมแต่พยายามทำเป็นลืมไปทำไปคิดว่ามันไม่ท่วมนะมันไม่ท่วมเหมือนกับรู้ว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายกันแต่ก็พยายามไม่คิดถึงมันพยายามลืมๆลย ม, มันไปพอเวลาไม่คิดถึงมันลืมมันไปก็เลยคิดว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆ จะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยๆจะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไปเรื่อยๆจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ตายไปก็ทำให้เราจะได้รุ่มหลงกับการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลินรสผลพะชนิดต่างๆแล้วพอวันดีคืนดี มีเหตุการณ์ทําให้เราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็จะตกใจเราก็จะกลัวถ้าเราไปเจอโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่ได้เราก็จะมีแต่ความทุกข์ใจเพราะเราไม่รู้จักวิธีรับกับเหตุการณ์คือความเจ็บไข้ได้ป่วย หรือนับกับการสูญเสียพัดภาคจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผทพพะเช่นเราอาจจะล้มละลายสูญเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปหมดเราก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจเพราะเราไม่มีสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขได้อีกแล้ว ก็มีแต่ความทุกข์ใจแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะสอนให้พวกเรารู้ว่าพวกเรานี้ไม่ต้องพึ่งการห า, ราลาภยศจลาเสิญการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย เราไม่ต้องพึ่งร่างกายของพวกเราเราสามารถมีที่พึ่งแบบใหม่มีที่พึ่งอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่พึ่งได้อย่างถาวรเป็นที่พึ่งที่จะไม่มีวันจากเราไปถ้าเป็นการปลูกบ้านก็ปลูกบนที่ไม่มีน้ำท่วมไม่มีภัยธรรมชาติต่าง ที่จะมาทำลายทรัพย์สินมาทำลายบ้านช่องของเราได้แต่พวกเราถ้าไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากกันเราก็จะคิดว่าเราปลอดภัยจากความสูญเสียจากสิ่งต่างๆไป เราก็จะไม่หาที่พึ่งอันใหม่กันแล้วพอเกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายเกิดการพัดพากจากกันขึ้นมาก็จะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่หลบความทุกข์เพราะว่าเราไม่หาที่พึ่งในขณะที่เรามีเวลาหาได้ พอน้ำท่วมปั๊บนี่มันย้ายบ้านไม่ทันย้ายข้าวย้ายของไม่ทันมันก็จะต้องมีแต่ความสูญเสียเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเราคิดไวล่วงหน้าก่อนว่าบ้านที่เราอยู่นี่มันอยู่ที่ต่ำมันจะต้องถูกน้ำท่วมได้ถ้าปีไหนฝนตกมากๆฝนตกพร้อมกันในเวลาเดียวกัน น้ำมันจะไหลลงมามากแล้วมันจะทำให้ท่วมบ้านท่วมช่องเราได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยหาที่ที่มันสูงหรือถ้าย้ายไม่ได้ก็สร้างบ้านแบบให้มันยกพื้นให้มันสูงขึ้นพอน้ามามันก็จะไม่ท่วมบ้านได้นี่ก็เช่นเดียวกัน การที่พระพุทธเจ้าให้เราเหมั่นพิจารณากันอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาจะต้องพัดภาคจากกันไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากเหตุการณ์เหล่านี้ไปไม่ได้ถ้าเรารู้เราก็จะได้เตรียมแก้ปัญหาเพราะว่าเรามีวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ที่จะทำให้เราไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาคจากสิ่งต่างๆและบุคคลต่างๆไปได้นั่นก็คือมาสร้างที่พึ่งงานใหม่กันย้ายที่ย้ายจากที่พึ่งอันเก่าที่จะต้องถูกน้ำท่วมหรือถูกภัยธรรมชาติต่างๆถ้าไม่น้ำท่วมก็ไฟไหม หรือพายุหรือแผ่นดินถลม่มอันนี้ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าเราอยู่ในเขตอันตรายเราก็จะได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยไปอยู่ที่มันปลอดภัยกันตอนนี้พวกเรากําลังอยู่ในเขตอันตรายกันได้อยู่ในเขตของราบยศสรลเสญอยู่ในเขตของรูปเสียงกลิ่นลดผลพยา ที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่มีเจริญได้ก็มีเสื่อมได้ที่มีเกิดขึ้นมาได้ก็มีการดับไปได้เรากำลังอยู่ในเขตอันตรายคือร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้ก็เป็นอันนี้จังไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปได้จะเจ็บจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใคร ไปกำหนดได้บางคนเจ็บตั้งแต่เล็กเป็นโครคภัยไข้เจ็บตายไปตั้งแต่อายุไม่มากบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยตอนอายุมากแล้วตายไปตอนอายุมากแล้วคือเรื่องของความเจ็บความตายนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกทุกวัยทุกเวลาไม่มีใครที่จะไป กำหนดได้ไปห้ามมันได้เวลาที่มันจะเกิดขึ้นมาเราต้องหาที่พึ่งอันใหม่กันอย่าอย่าพึ่งร่างกายอันนี้อย่าพึ่งราบยศร ส, สรรเสริญอย่าพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขกับเราเพราะมันจะต้องมีวันหนึ่งที่มันจะไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเราได้ให้เรามาหาที่พึ่งที่ จะเป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงและถาวรจะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปที่พึ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้พบกันท่านได้มีกันก็คือที่พึ่งทางใจที่พึ่งที่เกิดจากการทําใจให้สงบกันด้วยการ ทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนากันอันนี้จะทำให้เรามีที่พึ่งอันใหม่ที่เราไม่ต้องพึ่งสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเช่นเงินทองนี่ท่านก็บอกว่าให้เอาไปทำทานเสียอย่าไปพึ่งมันอย่าไปอาศัยมันอาศัยมันแล้วเดี๋ยวมันหมดมันก็อาศัยไม่ได้ เอาไปทาทานหยุดการหาเงินหาทองดีกว่าหยุดการใช้เงินใช้ทองถ้าเราไม่ใช้เงินใช้ทองไปซื้อความสุขต่างๆเราก็ไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองมาใช้กันเราก็จะได้มีเวลามาสร้างที่พึกที่งทางใจกัน ตอนนี้เรากำลังสร้างที่พึ่งทางร่างกายกันทางราบยศสรรเสริญสุขกันเราจึงต้องไปทางานทาการกันไปหาเงินหาทองมากันเพื่อที่จะได้เอามาเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็เอาร่างกายนี้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายกันด้วยการใช้เงินที่เราหามาได้ ไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสผลพัะชนิดต่างๆมาให้พวกเราเสกกันแต่สักวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้านี้ร่างกายมันก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะต้องเจอวันที่มันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยวันที่มันจะต้องตายไปแล้วมันก็จะทำให้เราไม่สามารถหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายได้ หรือถ้าร่างกายยังไม่เป็นอะไรไปเราอาจจะสูญเสียลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกิเลดต่างๆที่เราหามาได้ก็ได้สูญเสียไปหรือว่าไม่มีความสามารถที่จะหามมาเพิ่มมีแต่ใช้ของเก่าไปเรื่อยๆแต่ไม่สามารถหาของใหม่มาเติมได้ เช่นเราอาจจะตกงานไม่มีงานทำเงินทองที่เราหามาได้มันก็จะหมดไปเพราะเราจะต้องใช้มันอยู่เรื่อยๆอันนี้มันก็จะทำให้เราต้องทุกข์และขณะที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์มันก็จะทำให้เราวิตกกังวลไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจเราจึงไม่อยากจะคิดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ของสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่เราไม่รู้ว่าประโยชน์ที่จะเกิดจากการที่เราได้พิจารณาอยู่เนืองๆเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของลาบยศสละเสริญของรูปเสียงกลิ่นลดผลทัพะของร่างกายของพวกเราว่ามันเป็นประโยชน์มันจะทําให้เราคิดหาทางออกกันไม่ยึดติดอยู่กับ ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ปัญหาที่จะต้องเกิดขึ้นเช่นความเสื่อมของลาบยศสารเสริญความเสื่อมของรูปเสียงกลิ่นรสผล พ, พะการพัดภาคจากสิ่งเหล่านี้หรือความเสื่อมของร่างกายอันนี้ไม่มีใครไปห้ามมันได้ถ้าเราพิจารณาอยู่เนืองๆ เ, เราก็จะได้รู้ว่า เรากําลังอยู่ในที่ในเขตอันตรายที่จะมีการเสื่อมมีการหมดมีการสูญสิ้นของสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปมันก็จะทําให้เราต้องหาที่พึ่งทางอื่นแล้วต้องย้ายที่อยู่อาศัยแล้วถ้าที่อยู่ตรงนี้มันเป็นเขตน้ําท่วมหรือเป็นเขตที่จะมีแผ่นดินไหวหรือเป็นเขตที่มีไฟไหม้บ่อย เช่นไฟไหม้ป่าอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องย้ายที่อยู่อาศัยไปเราต้องย้ายที่พึ่งที่เราพึ่งกันอยู่ในตอนนี้คือลาบยศจัลเสริญรูปเสียงกลิ่นลดปดพะและร่างกายของพวกเรามันเป็นของชั่วคราวมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะต้องมีวันหมดไปวันเสื่อมไป ดังนั้นเราต้องมาหาที่พึ่งอันใหม่กันหาที่พึ่งที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดซึ่งพวกเราก็โชคดีถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนพวกเราพวกเราจะไม่รู้ทางออกของปัญหานี้เลยพวกเราจะไม่รู้ว่ามีที่พึ่งอันใหม่ ที่ดีกว่าที่พึ่งที่เรากำลังพึ่งกันอยู่ในขณะนี้เป็นที่พึ่งที่จะทำให้เราไม่ต้องทุกข์กับการเสื่อมเสียของสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่จะทำให้เรามีความสุขได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะมีลาบยศสะลดเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสผลทพมาเสพหรือไม่ไม่ว่าเราจะมีร่างกายที่ ที่แข็งแรงหรือไม่ที่แก่หรือไม่แก่ที่เจ็บหรือไม่เจ็บที่ตายหรือไม่ตายมันจะไม่เป็นปัญหาถ้าเราได้มีที่พึ่งอันใหม่นี้ที่พึ่งอันหนอยนี้ก็คือการปฏิบัติจิตภาวนาด้วยการสนับสนุนของศีลเราจึงต้องยุติการ ใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆเลิกพึ่งเงินพึ่งทองเลิกหาเงินหาทองแล้วมาหาความสงบกันจากการเจริญศีนสมาธิปัญญากันการที่เราต้องมีศีนเพราะว่าจะได้ควบคุมกิจกรรมต่างๆที่เรายังห <c oughs> ลงติดอยู่เช่ <c oughs> นยังหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ ก็เลยต้องมาถือศีลแปดกันศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยยิบเจ็ดนี้จะห้ามไม่ให้เราทำกิจกรรมหาความสุขทางร่างกายกันเช่นร่วมหลับนอนกันหรือรับประทานอาหารกันตามความอยากตามความต้องการแบบไม่มีเวลามิม้มีเวลาหรือหาความสุขจากบันเทิงต่างๆมหัรลศพต่างๆ หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายหาความสุขจากการหลับนอน <c oughs> มากจนเกินไปมากกว่าความจำเป็นต่อความต้องการของร่างกายมันจะทําให้เราเสียเวลาจะทําให้เราไม่มีเวลามาเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบให้เป็นสมาธิแล้วหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วเรา จะได้เจริญปัญญาตามลำดับต่อไปเพราะเราจะต้องมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาเราจึงสามารถจะรักษาใจให้สงบอยู่ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบกับจิตใจถ้าใจมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วรับรองได้ว่าใจจะสงบอยู่ตลอดเวลา ใจจะไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆเช่นความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะความเสื่อมของร่างกายมันจะไม่มาทำให้ใจของเราวุ่นวายเลยจะไม่ทำให้ใจเราเครียดเลยจะไม่ทำใจให้เราทุกข์เลยถ้าเรามี สติมีสมาธิมีปัญญานี่คือสิ่งที่พวกเราไม่มีกันในขณะนี้มันจึงทำให้ใจของเราหวั่นไหวกันเวลาเพียงแต่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายคิดถึงการพักผ้าจากกันก็ไม่สบายใจขึ้นมาแล้วทั้งๆ ท, ที่ยังไม่เจอเหตุการณ์จริงเลยเพียงแต่คิดท่านี้ก็ใจก็ไม่สบายแล้ว จึงทำให้ไม่อยากจะคิดกันแล้วพอยิ่งไม่อยากจะคิดมันก็ยิ่งจะทำให้ลืมกันให้หลงกันก็จะไม่มาคิดหาทางออกกันก็จะติดอยู่กับวิธีหาความสุขแบบเดิมก็คือหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะหาความสุขจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแล้วพอวันนีคนดี มีเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะหาความสุขทางนี้ได้เราก็จะวุ่นวายกันไปนหมดอันนี้เราต้องบังคับใจให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆถึงแม้ว่าจะรู้สึกไม่สบายใจเวลาคิดก็ให้คิดว่ามันเป็นเหมือนกับฉีดยาวัคซีนป้องกันโรคถ้าเรารู้ว่ามีโรคระบาด ในตอนนี้เช่นมีโรคอะฮิวาระบาดถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนถ้าเกิดเราไปติดเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเราร่างกายเราก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วตายไปได้แต่ถ้าเราฉีดวัคซีนมันก็ต้องเจ็บบ้างเวลาฉีดก็เจ็บฉีดแล้วมันก็จะมีปฏิกิริยาทางร่างกายทําให้เป็นไข้ขึ้นมาบ้างแต่วันสองวันมันก็หาย แล้วร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บพอเกิดมีโรคพอเราไปติดเชื้อเข้ามาเราก็จะมีภูมิคุ้มกันทําให้โรคเชื้อโรคไม่สามารถมาทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยได้ขอให้เราคิดอย่างนี้กันคิดว่าเวลาที่เราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดจากการนี้ เป็นเหมือนกับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไม่ให้ใจของเราทุกเวลาที่เราเจอเหตุการณ์จริงคือเวลาที่เราเจอความแก่เวลาที่เราเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราเจอความตายเวลาที่เราเจอการพัดพรากจากกันเราจะรู้สึกเฉยเฉยจะรู้สึกเฉยเฉยเพราะอะไร เพราะว่าเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะต้องพัดพากจากกันเราก็ต้องไม่พึ่งร่างกายอันนี้แล้วเราต้องไม่พึ่งสิ่งของต่างๆบุคคลต่างๆเราก็ต้องหันมาพึ่งความสงบกันเราก็จะมาปฏิบัติทำกันมาฟังเทศฟังธรรมกันมารักษาศีลกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจ นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เร า, าทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าคือมันพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเกิดมาแล้วเราย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ ร่วงพ้นการพัดพากจากกันไปไม่ได้พอเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเราก็เลยเลิกเพึ่งร่างกายกันแล้วเรามาหันมาเพื่งความสงบกันแทนที่จะเอาเวลาไปหาเงินแล้วเอาเวลาไปใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆอย่างที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้เราก็เอาเวลามาวาดกันถ้ามีเงินก็ มีเงินเหลือใช้ก็เอามาทําบุญทําทานกันมาแบ่งปันกันมาช่วยเหลือเพื่อนผู้ปฏิบัติที่ไม่มีเงินมีทองกันให้เขาได้มีปัจจัยสี่มีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งห่มมีอาหารเช่นเช่นพระภิกษุที่มาบวชนี้ก็เป็นผู้ที่มาหาที่พึ่งทางใจกันแต่ท่านก็ไม่มีเงินมีทอง ก็อาศัยคนที่มีเงินมีทองนี้มาดูแลกันมาช่วยเหลือกันไป <c oughs> เพื่อที่เขาจะได้ได้ปฏิบัติได้สร้างที่พึ่งคือความสงบทางใจแล้วพอเขาได้พบแล้วเขาก็จะได้มาสอนผู้ที่ไม่รู้ต่อไปผู้ที่ไม่รู้ก็จะได้ประโยชน์จากผู้ที่รู้แล้วผู้ที่รู้ว่า ที่พึ่งทางใจนี้มันวิเศษอย่างไรมันดีอย่างไรมันก็จะทําให้ผู้ที่ไม่มีที่พึ่งมีกําลังจิตกําลังใจที่จะปฏิบัติตามนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจกันมาสร้างที่พึ่งอันใหม่กันมาสร้างที่พึ่งคือความสงบของใจที่จะเกิดจากการรักษาศีลของนักบวช น่าเกิดจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่องต้องเจริญตลอดเวลาสติต้องคอยควบคุมความคิดตลอดเวลาเพราะความคิดตอนนี้เป็นความคิดที่จะคิดไปในทางหาที่พึ่งทางเก่ากันหาที่พึ่งจากร่างกายหาที่พึ่งจากราบยศสรรเสริญสุขกันเราต้องหยุดความคิดเหล่านี้แล้วเรา พอหยุดมันได้แล้วเราจะได้พบกับที่พึ่งอันใหม่ก็คือความสงบที่ดีกว่าที่พึ่งอันเก่าเพราะความสงบนี้ไม่มีวันหมดถ้าเรารู้จักสร้างขึ้นมาแล้วรู้จักวิธีรักษามันตอนต้นเราสร้างขึ้นมาด้วยการเจริญสติควบคุมความคิดต่างๆไม่ให้มันคิดนั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็คอยควบคุมความคิด ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้ให้จิตมีงานทำเมื่อมีงานทำมันก็จะไปคิดถึงลาบยศสรรเสริญคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผดทธพะไม่ได้คิดถึงร่างกายไม่ได้จิตมันก็จะนิ่งจะสงบแล้วก็จะมีความสุขที่จะทำให้ไม่หวั่นไหวกับ ความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากสิ่งต่างๆไปพอได้ความสงบไป น, นี้แล้วขั้นที่สองก็ต้องรู้จักวิธีรักษาให้มันสงบอย่างถาวรการจะทำให้มันสงบอย่างถาวรก็ต้องทาลายสิ่งที่จะมาคอยทำลายความสงบนี้สิ่งที่จะมาทำลายความสงบนี้ก็คือความหลงความอยากนี้เอง ความหลงที่จะหลอกให้เราไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสกันเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเผลอไม่สามารถควบคุมสติไม่สามารถควบคุมความคิดด้านมันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีมันก็จะหลอกให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกเลิ้งกายตอนนั้นเราก็ถ้าไม่มีปัญญาก็ใช้สติยุสู้มันไปก่อนก็ได้ พอ เ, เกิดความอยากก็พุทโธพุทโธหยุดความอยากให้ได้ถ้าเรามีสติเราก็หยุดได้แต่มันจะหยุดเพียงเป็นครั้งเป็นคราวมันไม่หยุดอย่างถาวรถ้าอยากจะหยุดอย่างถาวร น, นี้ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาใช้เหตุใช้ผลสอนใจว่าการไปทำตามความอยากนี้มันไมไ่ทำให้ความอยากมันหมดไปมันจะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาเรื่อย และเวลาที่เราไม่ได้ทําตามความอยากเราก็จะทุกข์เราจะเครียดแต่ถ้าเราไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปเราก็จะได้ไม่ต้องไปทําอะไรอีกต่อไปเราก็จะอยู่กับความสงบได้อย่างสบายไม่มีอะไรมาคอยทําลายความสงบของเราที่เราได้จากการเจริญสติน นี่คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาและสติสมาธินี้กับสตินี้เป็นของคู่กันการจะมีสมาธิได้จะต้องมีสติถ้าไม่มีสตินี้สมาธิไม่เกิดสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสติก็คือการระลึกรู้การควบคุมความคิดปรุงแต่งให้ระลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็จะไม่สามารถไปคิด ปุงแต่งได้เช่นให้แล้วเลิอกอยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือแล้วเลิอกอยู่กับลมหายใจเข้าออกไปหรือเวลาไม่ได้นั่งเวลาทำกิจกรรมต่างๆจะแล้เลิกรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทาต่างๆของร่างกายก็ได้ให้ดูอยู่ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทาของร่างกายอย่าให้ใจคิดถึงอดีตคิดถึงอานาคต อย่าให้ไปคิดถึงราบยศสรรเสริญถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทาของร่างกายถ้าไม่อยู่ก็ให้ใช้พุทโธดึงกลับเข้ามาก็ได้ใช้บริกรรมพุทโธพุทโธไปพอบริกรรมพุทโธความคิดต่างๆมันก็จะหายไปแล้วพอมีเวลาว่างเราก็มานั่งกันพยายามนั่งให้มากๆเพราะจิตจะเป็นสมาธิจะสงบจะนิ่งได้เต็มที่ต้องนั่งเฉยๆ ถ้ายัางเดินยังเคลื่อนไหวอยู่จิตยังต้องทำงานอยู่จิตจะไม่สามารถสงบนิ่งเป็นสมาธิได้จะได้ก็เพียงสติเวลาเคลื่อนไหวทำอะไรต่างๆนี้เราจะเจริญสติกันแต่ถ้าเราต้องการสมาธิให้จิตเป็นอัปปนาสมาธิให้จิตเป็นเอขะกขตารมเป็นสักตวาวะโรเป็นอุเบขานี้จจำเป็นจะต้องนั่งนั่งหลับตา แล้วก็ควบคุมความคิดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกไปอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องอะไรทั้งนั้นถ้าอยู่กับลมหรืออยู่กับพุทโธได้อย่างต่อเ น, นื่องเดี๋ยวจิตมันจะตกหลุมลงไปความสงบนี้มันเป็นเหมือนหลุมเป็นบ่อมันจะตกวุบลงไปแล้วจิตก็จะนิ่งสบายมีความสุขตอนนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรอย่าเพิ่งเจริญปัญญา การเจริญปัญญานี้กับการเจริญสมาธินี้เป็นการปฏิบัติอนอกเ ไ, ไม่ได้ทำพร้อมกันคือต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งช่วงที่ทำสมาธิก็เอาแต่สมาธิอย่างเดียวเอาแต่ความสงบอย่างเดียวไม่ต้องการให้พิจารณาเวลานั่งสมาธิหยุดความคิดได้แล้วจิตสงบจิตนิ่งไม่คิดอะไรตอนนั้นอย่าเอามาคิด ตอนนั้นปล่อยให้นิ่งไปนานๆเพราะยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งจะมีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากต่อสู้กับกิเลสตัณหาแล้วพอจิตถอนออกมาจากความสงบมาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนนั้นน่ะถึงจะเจริญปัญญาพิ จ, จารณาสิ่งต่างๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอย่าไปอยากได้อยากมีอยากเป็น ได้มาแล้วจะต้องทุกข์ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปหมดไปเวลาหมดไปก็ทุกข์อยู่กับความไม่มีดีกว่าอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบดีกว่าทุกครั้งเวลาเกิดความอยากก็ใช้ปัญญาหยุดมันถ้ามีปัญญาแล้วมีสมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธินี้จะหยุดความอยากได้ แต่ถ้ามีแต่ปัญญาแต่ไม่มีสมาธินี้จะหยุดมันไม่ได้จะไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากได้ไม่มีอุเบกขาอันต้องมีทั้งสมาธิและต้องมีทั้งปัญญาถึงจะสามารถอกําจัดกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กระใจได้ ถ้ามีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิก็จะหยุดมันไม่ได้ถ้ามีสมาธิแต่ไม่มีปัญญาก็าไม่รู้ว่ากิเลสตัณหานี้เป็นตัวปัญหาตัวที่จะต้องหยุดตัวที่จะต้องทําลายถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรู้พวกเราจะไม่รู้ว่ากิเลสตัณหานี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราเรากลับจะไปคิดว่ามันเป็นมิตรกับพวกเราเป็นตัวที่สร้างความสุขให้กับเรา เพราะเราจะคิดว่าถ้าเราไม่อยากแล้วเราจะเราจะมีความสุขได้ยังไงเราต้องอยากอยากมีแฟนพอเราอยากมีแฟนเราก็จะได้ไปหาแฟนพอเราได้แฟนมาแล้ ว, ลวเราก็จะมีความสุขกันแต่ก็เห็นเพียงแต่ฉากเดียวคือฉากต้นฉากตอนที่ได้แฟนมาแต่ก็ไม่คิดถึงฉากที่สองที่สามที่ตามมาเวลาได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวทะเลาะ ก, กับแฟนเป็นยังไง เดี๋ยวเวลาแพนทิ้งเราไปจากเอาไปเป็นอย่างไรไม่คิดถึงฉากที่สองฉากที่สามกันไม่เห็นความทุกข์ที่จะตามมากันแต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะเห็นฉากที่หนึ่งที่สองที่สามเห็นตั้งแต่ตอนต้นถึงตอนจบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานี้สักวันหนึ่งมันจะต้องจบงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงะ ความสุขต่างๆที่เราได้จากสิ่งต่างๆนี้มันจะต้องมีวันหมดไปถ้ามีปัญญาจะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความสิ้นสุดของสิ่งต่างๆที่เราไปแสวงหากันเมื่อเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันจะต้องหมดไปเราก็จะได้ไม่ไปหามันให้เสียเวลาเราอยู่กับความสงบอยู่กับสมาธิก็มีความสุขที่สุดแล้ว นี่คือเรื่องของการมาสร้างที่พึ่งใหม่แทนที่พึ่งเก่าที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากเราไปถ้าเราไม่มั่นเจริญไม่มั่นพิจารณาอยู่เนืองๆ เ, เราจะลืมและเราก็จะยึดติดอยู่กับที่พึ่งอันเก่าหาแต่ลาบยศสรรเสริญหาแต่ความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายโดยลืมความแก่ความเจ็บความตายไป พอวันดีคืนดีร่างกายเกิดเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้พอไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นมะเร็งเสียแล้วรักษาไม่ได้แล้วเหลืออีกไม่กี่เดือนก็ต้องตายเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเราหมั่นพิจารณาฉีดวัคซีนสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดา ถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆต่อไปเราจะชินและเราจะไม่รู้สึกทรมานใจจะไม่รู้สึกไม่สบายใจเพราะเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจสร้างที่พึ่งอันใหม่กันเลิกหาเลิกใช้ที่พึ่งอันเก่ากันเลิกห า, าสลาภยศสารเส ร, ริญเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแล้วก็มารักษาศีลมาเจริญสติสมาธิปัญญากัน ถ้าเราได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เล็วจิตของเราก็จะต้องสงบและก็จะสงบได้อย่างถาวรด้วยเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้รับกันท่านได้รับความสงบเพราะว่าท่านมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ได้ปฏิบัติแบบสามวันดีสี่วันไข่ปฏิบัติอย่างนั้นมันยังผลก็จะเป็นลุ่มรุ่มดอนดอน ช่วงที่ปฏิบัติก็จะมีผลพช่วงที่ไม่มีไม่ได้ปฏิบัติก็จะไม่มีผลผลมันก็จะขาดตอนไปถ้าต้องการให้ผลมันมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนก็ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเจริญศีนสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องจนสามารถได้ผลอันเลิศอันประเสริฐเมื่อได้ผลนี่แล้วก็หยุดการเจริญศีนสมาธิปัญญาได้ พอเมื่อได้ผลอันนี้แล้วมันจะไม่จากเราไปแล้วแล้วเราจะรู้จักวิธีรักษามันแล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายท่ามกลางความแก่ความเจ็บความตายทา่ามกลางการพัดพาจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆไปนี่คืออานิสงส์ประโยชน์ที่เกิดจากการเชื่อฟังพระพุทธเจ้าด้วยการหมั่นพิจารณาความแก่ความเจ็บความตาย ความพัดพากจากการอยู่อย่างเนื่อยเพื่อที่จะได้ดึงให้เราออกจากการพึ่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วพาให้หันให้เราให้หันเราหันให้เราไปหาความสุขหาที่พึ่งทางใจที่เป็นที่พึ่งที่ถาวรต่อไปก็ขอให้พวกเราจงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดยศรัทธาความเชื่ออย่างแน่วแน่ ว, ว่า เป็นความเป็นความจริงในสิ่งที่พู้เจ้าทรงสั่งสอนเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของเราอย่างแท้จริงถ้าเราปฏิบัติตามได้แล้วรับรองได้ว่าเราจะพ้นจากความทุกข์กันก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ก็หลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาถ้าไม่มีใครถามก็จะให้คำถามที่ผู้ติดตามผ่านทาง Facebook, YouTube, เฟ o บุ๊กยูทูบที่ได้ส่งข้อความถามเข้ามาจะให้พิธีกรช่วยอ่านคำถามให้คำถามข้อแรกเป็นจากคุณ A นะครับ ที่บ้านเคารพพระรูปหนึ่งท่านเมตตาคุณพ่อคุณแม่มากน้อมนำให้หันมาทำบุญทำทานสอนธรรมะพ่อแม่พี่น้องจนเกิดศรัทธาร่วมบุญกับท่านทุกครั้งตามกำลังที่มีลูกก็อนุโมทนาบุญแต่ไม่ได้เข้าหาท่านเช่นคนอื่นโดยส่วนตัวปฏิบัติตามพระอาจารย์สุชาติลูกถูกพี่น้องต่อว่าไม่เคารพท่าน พระท่านก็ถามถึงบ่อยว่าเหลือคนนี้ไม่มาทางธรรมสักทีทั้งๆ ท, ที่ลูกเป็นผู้ปฏิบัติธรรมบางทีก็โทรมาเองลูกมิได้โต้แย้ง อ, อะไรมองแง่ดีไว้ว่าท่านคงห่วงแต่ก็ถูกตามตลอดทั้งจากพระและพี่น้องขอเรียนถามว่าควรจะพูดกับพระท่านตรงๆไหมคะว่าเราปฏิบัติอยู่กับพระอาจารย์ ท่านจะได้ไม่ต้องมาตามบ่อยๆกลัวตัวเองจะเกิดอกุศลจิตสักวันก็ขึ้นอยู่กับว่าที่อาจารย์ท่านสอนนี้มันเป็นคําสอนที่ขัดกับหลักธรรมหรือไม่ถ้าคําสอนของท่านไม่ขัดกับหลักธรรมเราก็ไปฟังได้ไปเพื่อที่จะได้ไม่เสียมารยาท แต่เราจะนำมาไปปฏิบัติกับเราหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ว่ามันเหมาะกับจลิตของเราหรือไม่หรือมันเหมาะกับระดับธรรมของเราหรือไม่บางทีท่านอาจจะเน้นสอนในด้านระดับทำบุญทำทานท่านไม่ได้สอนในระดับการภาวนาในระดับปัญญาอันนี้ก็เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปปฏิบัติตามท่าน มแต่การไปฟังนี้อาจจะไปพบนี้อาจจะเป็นเพื่อมารยาทเพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพ่อแม่มีศรัทธาอยากจะชวนเราไปก็ไปเพื่อจะได้ไม่เสียมารยาจะได้ไม่มีปัญหาไปได้จะเอาสิ่งที่ท่านสอนมาปฏิบัติได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านสอนอะไรและเรากำลังปฏิบัติอยู่ อย่างอย่างไรถ้ามันนํามาใช้กันได้ก็ไม่มีเป็นปัญหาอะไรถ้ามันเอามาแล้วมันขัดกันก็ไม่ต้องเอามาฟังไว้รับฟังไว้เฉยๆที่เขาถามว่าควรบอกท่านไปตรงๆก็ไม่ควรบอกใช่ไหมครับอาจารย์ก็ไม่ไม่น่าจะพูดดีกว่าเพราะถ้านอาจจะมีความปรารถนาดีาเป็นความห่วงใหญย อาเชิญครับการน้มัสการพระอาจารย์กใกล้ๆนะครับการน้ำมัสการพระอาจารย์ครับผมมีคําถามสองข้อครับคือข้อแรกอยากจะสอบถามว่าในเพศค า, ารวะเนี่ยครับเราสามารถบรรลุธรรมได้ถึงขั้นไหนครับแล้วเราจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไงให้เปิด ใ, ให้ถึงขั้นนั้นนะครับคือการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เป็นคารวาะหรือเป็นพระหรอกมันอยู่ที่ธรรมที่เรามีอดังนั้นมัน ถ้าเรามีธรรมระดับโสดาบันเราก็บรรลุโสดาบันได้มีธรรมระดับอนาคามีเราก็บรรลุอนาคามีได้มีธรรมระดับอาราหันต์เราก็บรรลุอาราหันต์ได้เพียงแต่ว่าการเป็นพระกับ ก, บการเป็นฆราวาสนี้มันมีโอกาสที่จะได้เจริญธรรมต่างกันถ้าเป็นฆราวาสนี้มันมีอุปสรรคมากกว่าถ้าเป็นพระนี้มันมีอุปสรรคน้อยกว่า เปรียบเทียบเหมือนกับเวลาเราขับรถเดินทางระหว่างเดินทางบนทางด่วนกับเดินทางอยู่ใต้ทางด่วนนี่ถ้าอยู่ใต้ทางด่วนนี่มันจะเสียเวลามากเพราะมีรถมากมีสี่แยกไฟแดงมีอะไรมากแต่ถ้าเราขึ้นทางด่วนนี้มันก็จะไปได้อย่างรวดเร็วนี่คือนี่คือความต่างกันระหว่างคารวาดกับการเป็นนักบวช แต่ถ้าสำหรับคารวะาบางคนเขาอาจจะอยู่แบบนั่งบวชได้โดยโดยที่ไม่ต้องบวชเช่นเขาไม่ต้องทำงานเขามีเงินทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาได้เขามีที่ปฏิบัติที่สงบไม่มีใครมารบกวนใจเขาเขาแล้วมีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางเขาก็จะสามารถปฏิบัติและบรรลุธรรมได้อันนี้มันไม่ได้อยู่ที่เพศโดย ตายตัวแต่โดยพูดแบบทั่วๆไปการเป็นนักบวชให้มันมีโอกาสมากกว่าการเป็นคารวะาถ้ามาเป็นนักบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ศึกษาไม่ได้เจริญธรรมมันก็ไม่ต่างจากคาระอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะพูดว่าเป็นคารแล้วบรรลุทำขั้นนั้นขั้นนี้ได้หรือไม่นี้มันก็พูดไม่ได้ครับแล้วข้อที่สองนะครับคือ ผมอยากสอบถามว่าถ้าจะนําของมาถวายที่นี่ครับจะนําของชนิดไหนมาถวายให้ส่งที่นี่เพื่อจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมก็ของที่ใช้ตามปกติบนเขาก็ใช้เช่นก็เครื่องน้ําดื่มอะไรพวกนี้เครื่องเดิมน้ําปานะน้ําผลไม้อะไรต่างๆเหล่านี้เครื่องใช้ก็พวกยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่อะไรพวกนี้ แล้วก็เครื่องใช้อย่างอื่นก็ไม้กกไม้กวาดอะไรตามไม่มีอะไรมากมายสำหรับพระปฏิบัติก็ตามวัตยาสัสอย่างนั้ประหน้าที่กี้หลวงต า, าหลวงตาว่าคือถ้าอย่างผมซื้อพวกอย่างตามยี่ห้อเที่ยวขายกันทั่วๆไปนผลไม้เนียครับไ ด, ได้ใช่ครับก็ให้น้ำผลไม้ที่มันมีขนาดไม่ใหญ่กว่ากมปั้นเช่นน้า น้ำองุ่นน้ำแอปเปิ้ลน้ำส้มนี่ได้เอครับแต่ถ้าเป็นน้ำแตงโมน้ำน้ำมะพร้าวอย่างเงี้ยมันไม่ถือว่าเป็นน้ำปานะครับแล้วน้ำปานะนี่ก็ต้องเป็นน้ำที่กรองด้วยไม่ให้มีเนื้อเช่นน้ำส้มสมัยนี้เขามากักจะใส่ปนเนื้อลงไปถ้าพระรับประเคนมาก็จะฉันก็ต้องมากรองก่อนเอาผ้ากรองเอาพวกเนื้อออกไป ถ้าเป็นของที่เขากลองมาแล้วไม่มีมันก็สะดวกง่ายกว่าครับ ห, หมดคำถามครับขอบคุณครับคำถามข้อต่อไปจากคุณชินจังนะครับทำอย่างไรเวลาอารมณ์มากระทบเราถึงจะวางเฉยไม่ยินดีพอใจในอารมณ์นั้นได้และจะระงับไม่ให้ฟุ้งต่อไปอย่างไรครับก็ต้องมีสติ ถ้ามีสติใจเราก็จะวางเฉยได้ถ้าไม่มีสติใจมันก็จะเกิดอารมณ์กับสิ่งที่มาสัมผัสน้นเราต้องพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆถ้ามีสติพอเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็ใช้สตินี้หยุดมันได้เช่นพอเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาเราก็ใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราโกรธ พอเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปได้แล้วความโกรธมันก็จะหายไปเราจะลืมมันแต่ถ้าเรามีสติถึงขนาดที่ทำจิตให้ดวมเป็นสมาธิได้นี้มันจะมันจะมันจะเฉยโดยอัตโนมัติเวลาเห็นอะไรนี้มันจะไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่ถ้ามีอารมณ์ก็สามารถที่จะหยุดมันได้อย่างรวดเร็วง่ายได้ ดั่งนั้นขอให้มีให้มีการเจริญสติให้มากๆแล้วมีการนั่งสมาธิให้มากๆแล้วใจจะเป็นกลางใจจะเป็นอุเบกขาจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแต่ยังไม่แต่มันจะเป็นแบบชั่วคราวเวลาออกจากสมาธิใหม่ๆนี้อุเบกขาจะมีกาลังมากแต่พอทิ้งไว้สักระยะหนึ่งอุเบกขามันก็จะจางหายไป เหมือนกับน้ำเย็นที่เราแช่ไวในตู้เย็นเวลาเอาออกจากตู้ใหม่ๆมันจะเย็นแต่ถ้าปล่อยทิ้งไวสักระยะหนึ่งความเย็นมันก็จะหายไปถ้าอยากจะให้มันเย็นใหม่ก็ต้องกลับเข้าไปแช่ในตู้ใหม่ฉันใดอุเบกขาที่เราได้จากสมาธิพอออกมาจากสมาธิใหม่ๆใจมันจะมีอุเบกขามากจะเฉยได้มากแต่ ถ้าปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วอุเบกขามันก็จะค่อยๆจางไปหายไปนอกจากว่าเรารู้จักวิธีรักษามันรักษาได้สองวิธีก็คือเจริญสติต่อไปคอยควบคุมความคิดปุงแต่งอย่าให้มันคิดไปในทางความอยากหรือถ้าใช้ปัญญาได้ก็กำจัดความความคิดที่คิดไปในทางความอยากได้อย่างถาวร ถ้ามันไม่คิดไปในทางความอยากอย่างท้าวนรมันก็จะเป็นอุเบกขาไปได้ตลอดดังั้นหลังจากที่ได้สมาธิแล้วก็ต้องรักษามันด้วยสติหรือรักษาด้วยปัญญาถ้ารักษาด้วยสติก็จะรักษาแบบชั่วครั้งชั่วคราวไม่ท้าววรถ้ารักษาได้ด้วยปัญญาก็จะรักษาได้อย่างท้าววรคำถามจากคุณนลินนะครับ ขอความกรุณาพระอาจารย์อธิบายพิธีการพิจารณาผมขมขนเล็บฟันหนังในช่วงเริ่มแรกจะได้ไหมครับเคยฟังมาว่าให้พิจารณาเป็นอสุภะแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจสักทีคือการพิจารณาร่างกายนี้มีหลายเป้าหมายด้วยกันการพิจารณาร่างกายเพื่อเห็นความจริงของร่างกายว่ามันไม่สวยไม่งามอย่างที่เราคิดกัน มันสวยแต่เฉพาะภายนอกที่มีหนังหุ้มห่อมีอะไรต่างๆอยู่แต่ถ้าเรามองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังไปเห็นอาการต่างๆมันก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยงามเช่นเราไปดูเวลาเขาชำแหละผ่าศพกันเร่มผ่าคนที่ยังไม่ตายก็ได้เช่นหมอผ่าตัดนี้ ถ้าก็ผ่าท้องผ่าอะไรออกมาผ่าลำไส้เขาก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายกันอันนี้พิจารณาเพื่อให้เราไม่ลุ่มหลงกับความสวยงามภายนอกที่เราติดผู้หญิงติดผู้ชายกันก็เพราะว่าเราเห็นแต่ความงามภายนอกเราไม่เห็นความไม่งามภายในกันถ้าเรามองเห็นความไม่งามภายในกันเราก็จะไม่ติด เราก็จะไม่มีกามอารมณ์กันอันนี้คือเรื่องของการพิจารณาอสุภะเพื่อดับกามอารมณ์การพิจารณาร่างกายอีกแบบหนึ่งก็เพื่อให้เห็นว่าไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายอันนี้ให้เราค้นดูในร่างกาย น, นี้ว่าตรงไหนเป็นเราบ้างเช่นผมเป็นเราหรือเปล่าขนเป็นเราหรือเปล่าเล็บเป็นเราหรือเปล่าฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนอาการสาสิบสอง ลองไปดูในหนังสือเขาจะมีเขียนไว้ว่าร่างกายของเรานี้มันประกอบขึ้นด้วยอาการสาสิบสองชนิดเช่นผมขนเล็บฟันนี้แล้วอาการเหล่านี้ไม่มีคำว่าตัว ต, วตนอยู่ในนั้นเลยไม่มีคำว่าตัวเราอยู่ในผมในขนในเล็บในฟันเลยเราไปตู่เอาว่าเป็นเราขึ้นมาเองท่านเป็นของเราขึ้นมาเองความจริงมันเป็นของพ่อแม่ให้เรามาเป็นของขวัญ พ่อแม่ให้ของขวัญเราคือให้ร่างกายนี้กับเราแล้วร่างกายนี้มันจะกลายเป็นเราขึ้นมาได้ยังไงของขวัญที่เราได้รับมันจะกลายเป็นเราเป็นตัวเราขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ยังเป็นของขวัญที่ได้มาจากพ่อแม่อยู่อย่างนั้นมันก็ยังเป็นอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอยู่อย่างนั้นมันไม่มีตัวเราแล้วเวลาที่ร่างกายตายไปไอ้ร่างอาการ32นี่มันก็กลายเป็นอะไรไป มันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปนี่ให้พิจารณาเพื่อจะได้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวตนไม่มีเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้อยู่ในร่างกายรา่างกายเป็นอะไรเราไม่ต้องไปเตืนตกใจอย่าไปคิดว่าเราเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดนี้เองผู้พิจารณาร่างกายไม่ใช่ร่างกายผู้พิจารณาร่างกายไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปไม่มีร่าง เป็นเพียงแต่ผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองถ้ารู้อย่างนี้เลาวมันก็จะปล่อยวางมันก็จะไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายแล้วมันก็จะไม่ทุกข์เวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปอันนี้ก็คือวิธีพิจารณาร่างกายสองลักษณะพิจารณาว่ามันไม่สวยไม่งามพิจารณาว่ามันไม่มีตัวตนมันเป็นอาการต่างๆแล้วเวลาตายไปมันก็กลายเป็นดินน้ําลมไฟไป ผู้รู้ผู้คิดที่มาใช้ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเป็นเจ้านายของร่างกายใจเป็นนายกายเป็นบา่าวร่างกายเป็นผู้รับใช้คำสั่งของใจคำถามจะคุณละเวงนะครับรบกวนพระอาจารย์เมตตาให้ความกระจ่างคำว่าสังขารที่แปลว่าความคิดปรุงแต่ง กับคําว่าสังขารทั้งปวงเป็นคําเดียวกันไหมคะต่างกันอย่างไรสังขารที่เป็นสังขารทั้งปวงก็หมายถึงสิ่งที่ประกอบขึ้นมาด้วยสิ่งต่างๆเช่นดินน้ําลมไอยอะไรที่เป็นส่วนประกอบอะไรที่เป็นเกิดขึ้นมาด้วยการมีส่วนประกอบหลายๆอย่างนี้เราเรียกว่าสังต่างสังขารเหมือนเราทํากับข้าวนี่ก็เป็นสังขารอย่างหนึ่ง พาะจะทำกับข้าวได้ไม่ต้องมีผักมีเนื้อมีน้ำมีน้าปลามีน้ำตาลมีอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งกับข้าวที่เรากินนี้อาหารที่เรากินก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งร่างกายของเราก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งเพราะมันทำมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันต้นไม้มันก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งมันก็มีดินมีน้ำมีลมมีไฟมาปรุงมาแต่งมันให้มันเป็นต้นไม้ สัตว์ทั้งหลายอช้างม้าวัวควายก็เป็นเหมือนกันพวกเราของเหล่านี้อะไรก็ตามที่ทํามาจากดินน้ำนมฝายนี้เรียกว่าเป็นสังขารทั้งนั้นส่วนความคิดปรุงแต่งความคิดที่เราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นความคิดปรุงแต่งเหมือนอีกอย่างเป็นสังขารเหมือนกันแต่มันเป็นความคิดคิดปรุงแต่งว่าจะทํำนู่นดีจะทํานี่ดีจะไม่ทํำนู่นดีจะไม่ทํานี่ดี อันนี้เรียกว่าสังขารความคิดปรุงแต่งมีอยู่สองสองแบบด้วยกันเราถึงมักจะเรียกร่างกายแล้วว่าสังขารสังขารร่างกายแต่บางทีเราอาจจะไปคิดว่ามันเป็นสังขารความคิดปรุงแต่งก็ได้แต่บางทีต้องย้ําว่ามันเป็นสังขารร่างกายไม่ใช่สังขารความคิดปรุงแต่งคําถามข้อต่อไปนะครับจากคุณ พระพาพรนะครับปฏิบัติท ร, ร ม, มาระยะหนึ่งแล้วความโลภโกรธหลงคิดว่าลดลงบ้างใจทุกน้อยลงแต่ยังมีอยู่เจ้าค่ะจะต้องพัฒนาต่อไปอย่างไรเจ้าคะหรือจะใช้ปัญญาพิจารณาอย่างไรก็เวลาโลภก็ตัดมันสิเวลาอยากได้อะไรก็ตัดมันโดยใช้ปัญญาถามว่ามันจำเป็นหรือไม่ ถ้าอยากได้สิ่งนี้แล้วถ้าไม่ได้มาจะตายหรือไม่ถ้าไม่ตายก็ถือว่าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอามันถ้าอันไหนยังจำเป็นถ้าไม่ได้มาแล้วตายก็ต้องเอาเช่นลมหายใจนี้ถ้าไม่หายใจแล้วตายหรือไม่ถ้าตายจำเป็นก็หายใจต่อไปถ้าอยากจะซื้อมือถือเครื่องใหม่มือถือเครื่องเก่ายังดีอยู่จะซื้อมาทำไมก็อย่าไปซื้อมัน เ, เครื่องเก่ายังใช้ได้อยู่ ถ้าเครื่องเก่ามันหายไปหรือมันเสียไปต้องเปลี่ยนใหม่อย่างนี้ก็ซื้อมาอย่างนี้ก็เราต้องใช้เหตุผลในการตัดความอยากต่างๆการอยู่คนเดียวนี้ตายหรือไม่ตายต้องมีแฟนหรือไม่ถ้าไม่มีแฟนแล้วตายหรือไม่ถ้าไม่ตายก็อย่าไปมีแฟนถ้ามีแฟนก็อย่ากันอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่แล้วไม่ต้องทุกข์กับแฟน อจริงไหมอ่าเนี่ยตอนนี้คนยังไม่ได้ตัดความโลภตัดเพียงนิดๆหน่อยๆก็บอกรู้สึกล้วความโลภโกรดลงน้อยลงแล้วและของต่างๆที่คุณมีอยู่ตอนนี้มันไม่ได้มาจากความโลภความหลงก่อนทั้งถามปสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้จำเป็นจะต้องมีไหมอันไหนไม่มีก็ยกให้คนอื่นไปสิแฟนไม่จำเป็นจะต้องมีก็ย่อยเขาไป สมบัติเข้าของเงินทองที่ไม่จำเป็นจะต้องมีก็เอาไปทำบุญซะนั่นลหละถึงจะเรียกว่าตัดความโลภความหลงได้อย่างจริงจังคำถามข้อต่อไปจะคุณกิติยานะครับ พระอาจารย์บอกว่าการรู้อนาคตเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราสามารถเตรียมการได้ตอนนี้รู้ว่าจะต้องพัดภาคจากสัตว์เลี้ยงในเวลาอีกไม่นานเนื่องจากความเจ็บป่วยมีอาการชักเนื่องจากไตเสื่อมหมอบอกว่าวิธีช่วยคือการให้ยานอนหลับเพื่อให้เขาหลับและเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆถ้าอาการชักรุนแรงขึ้นจนยาขนาดเดิมรักษาไม่ได้และถ้าสัตว์ทรมานมากชักจนกัดลิ้น ตนขาดก็อาจต้องพิจารณาฉีดยาให้หลับไปไม่ฟื้นรู้ทุกอย่างว่าต้องพลัดภาครู้ว่าเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายแต่ก็ยังร้องไห้ทุกใจมากไม่สามารถทําใจให้สงบได้เลยโปรดชี้แนะด้วยเจ้าคะ่ะก็ต้องมาหันนั่งสมาธิกันนีไงเราไม่สามารถควบคุมใจให้สงบเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆมันก็เลย ไหลไปตามเหตุการณ์เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาแต่ถ้าเราฝึกสติอยู่เรื่อยๆฝึกนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆเราก็จะสามารถรักษาใจให้สงบให้เฉยอยู่ให้เฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้คำถามจากคุณชวนนะครับความรู้สึกว่าชีวิตแต่ละวันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปเช่นเมื่อวานฟังธรรมะของพระอาจารย์พอวันใหม่ เรื่องของเมื่อวานมันก็หายไปแล้วและเดี๋ยวเรื่องในวันนี้มันก็หายไปเช่นกันเรื่องแต่ละวันเกิดขึ้นจริงแต่มันจะต้องหายไปมันคือกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมครับก็ใช่หรือเปล่าเราถามเราทำไมก็เห็นกันอยู่ยคำถามจากคุณพัชระกสิทธ์นะครับทำอย่างไรดีครับ พอมาได้ทําบุญกับพระป่าเห็นจริวัดข้อปฏิบัติของพระป่าแล้วรู้สึกศรัทธามากแล้วทําบุญได้อย่างสุดหัวใจแต่พอไปทําบุญกับพระบ้านพระในเมืองรู้สึกไม่อยากทําบุญเลยด้วยความที่เห็นอะไรต่างๆที่ไม่ตรงกับข้อวัดปฏิบัติที่ดีผมควรเลือกพระที่จะทําบุญใหม่ครับ เวลาคุณซื้อรถคุณเลือกรถหรือเปล่ารถยี่ห้อดีกับรถยี่ห้อไม่ดีคุณจะเลือกซื้อยี่ห้อไหนดีรรหว่างเบนกับรถรถที่ไม่มียี่ห้ อ, อโตโยตา้าสมมติถ้าให้คุณเลือกนี้คุณจะเอาอะไรถ้าเขามีรถให้คุณเลือกอคุณก็ต้องเอาเลือกรถที่มันดีกว่าก็เป็นธรรมดาไ ม, ไม่เสียหายตรงไหนไม่ได้เป็นการเลือกที่รักมักที่ช่าง มันเป็นเรื่องของเหตุผลอันไหนที่มันดีกว่ามันให้คุณประโยชน์กว่าเราก็เอาอันนั้นอันที่มันให้คุณประโยชน์น้อยกว่าเราก็อย่าไปเอามันถ้าเราเลือกได้ถ้าเลือกไม่ได้โตโยต้าก็เอาอะยังดีกว่าเดิน เลือกทําบุญแต่ก็ไม่ควรไปลบหลู่ใช่ไหมครับอาจารย์ก็เรื่องตัวของใครของมันไงท่านเป็นยังไงก็เรื่องของท่านถ้าเราไม่ศรัทธาก็เท่านั้นเองเหมือนเราไม่ศรัทธารถยี่ห้อนี้เราก็ไม่ซื้อเหมันก็ไม่ได้ไปลบหลู่รถยี่ห้อนี้ว่ามันมันเป็นอะไรใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราศรัทธารถอีกยี่ห้อนหนึ่งเราก็ซื้อรถยี่ห้อนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ก็เท่านั้นเองเราอย่าไปประกาศไ ป, ไปด่า <c oughs> เขาว่าเยรถยี่ห้อนี้ไม่ดีอย่าไปซื้อมันนะ อันนี้เราก็ไม่ต้องไปพูดให้คนที่เขาซื้อไปรู้เองซื้อไปแล้วมันเจ๊งมันพังบ่อยๆเขามันเขาก็รู้เองต่อไปเขาก็ไม่ซื้อมันเองอนอกจากคนมาถามอนี่เราก็บอกก็ได้พี่จะเอารถยี่ห้อไหนดีเอาเบนซ์ซะวพี่จะทําบุญกับพระที่ไหนดีทำกับที่นั่นสิก็บอกได้ถ้าเขาถามถ้าเรารู้อแต่เราอย่าไปพูดแบบกีดกันหรือพูดแบบอะไร อันนี้ไม่ควรและบางทีคนที่เขาศรัท ธ, ธาเขาก็จะไม่เชื่อเราไม่ชอบเราก็ได้บางคนนี่ศรัท ธ, ธาแบบหัวทิ่หมหัวตาเลยพอไปบอกเขาว่าบ้านนี้ไม่ดีกันเดี๋ยวเขาก็จะด่าเราอีกอิจฉาใช่ไหมคําถามจ้าคุณแสงแห่งศรัท ธ, ธานะครับคือว่าผมมีข้อสงสัยกับการรู้กายรู้ใจในภาวะที่มีความกดดันในการทํางานเร่งรีบ มักจะรู้ไม่ทันแต่ช่วงเวลาปกติที่อยู่เฉยๆก็พอจะรู้บ้างเป็นบางขณะผมควรแก้ไขอย่างไรดีครับคือการรูใจดูร่างกายในเบื้องตอนนี้ก็คือให้เรารู้เพื่อเราจะได้มีสติแค่ให้เราเฝ้าดูร่างกายว่ากำลังทำอะไรอยู่อย่าปล่อยให้ร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับร่างกาย ใจจะได้นิ่งใจจะได้สงบเป็นสมาธิได้นี่คือการรู้ในเบื้องต้นของการรู้กายรู้เพื่อให้เกิดสติเมื่อเรามีสติแล้วก็รู้กายอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบให้เกิดปัญญารู้ว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้เรียกว่ารู้อีกระดับหนึ่งรู้ระดับปัญญาดงั้นเปนมีการรู้กายรู้ใจหลายระดับด้วยกัน แต่ส่วนใหญ่ของผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเลยเนีย่ก็ต้องรู้เพื่อสติก่อนรู้ใจมันรู้ไม่ทั น, นต้องรู้กายมันง่ายกว่าถ้าจะเจริญสตินี้ให้รู้กายให้เฝ้าดูร่างกายไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจลอยไปที่อื่นแล้วใจก็จะมีสติมีความนิ่งมีความสบายไม่เครียดกับอะไรต่างๆคำถามจากคุณธนากรนะครับ เวลาเราสวดมนต์เสร็จถึงเวลาแผ่เมตตาให้ตัวเราก่อนหรือเปล่าครับไม่ครับชอบแผ่เมตตาคนเดียวเลยเวลาแผ่เมตตาเขาหมายถึงให้เราแผ่กับคนนั้นคนนี้กับสัตว์กับจั ด, จดหรือกับมนุษย์หรือเทวดาถ้าอยู่คนเดียวมันไม่มีผู้รับก็อย่าไปแผ่ให้เสียเวลาเอต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันอย่างตอนเนี้ยก่อนเขากาลังน้ําท่วมกันอยู่เนี่ย อยากจะแผ่ก็ไปเลยเนี่ยส่งข้าวสารอาหารแห้งส่งอะไรไปอันนี้เรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่นั่งสมาธิสวดมนต์เสร็จก็นั่งแผ่ขอให้ชาวใต้พ้นจากภัยทั้งหลายนะเออแผ่ไปเถอดไม่ถึงหรอกคำถามจากคุณลีไตพีเคนะครับเราเดินจงกรมอย่างเดียวได้ไหมคะได้ไม่มีใครห้ามหรอกจะเดินจงกรมอย่างเดียวก็ได้ แล้วไม่นั่งเลย6ชั่วงคำถามจากคุณอนุชานะครับข้อที่หนึ่งการที่เราอนุโมทนาบุญที่คนอื่นเขาทําหรือยินดีที่คนอื่นเขาทํดทาทดีเราจะได้บุญด้วยไหมครับหลายคนบอกว่าแค่ยินดีกับคนที่ทําบุญก็ได้บุญแล้วก็แล้วแต่ ถ้ามันไม่มีผลกระทบกับเรามันก็จะไม่ได้บุญมันต้องมีผลกระทบกับเราเช่นแฟนเราชอบทําบุญชอบเอาเงินของเราไปทําบุญแต่ถ้าเราอนุโมทนากับเขาเราก็มีความสุขแต่ถ้าเราไม่ยินดีเราเอาไปทําทำไมเสียดายเงินเสียดายทองเราก็จะทุกข์ขึ้นมามันอนุโมทนามันต้องมีเหตุที่มันกระทบเราเช่นบางทีเราไม่ชอบให้เขาไปทําบุญแบบนั้นแล้วเขาไปทําบุญเนีย ถ้าเราไปไม่อนุโมทนาเราก็จะไม่สบายใจแต่ถ้าเรานุโมทนาคิดว่าเป็นบุญของเขาเป็นเรื่องของเขาก็อยากจะทำก็ทำไปเราอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปขัดขวางเขาอันนี้มันก็จะทำให้ใจเราสงบนี่คือเป้าหมายของการอนุโมทนาบุญเพื่อให้ใจเราสงบให้ใจเราสบายเพราะบางทีเราเห็นคนเขาทาบุญเราไม่ชอบเราไม่อยากให้ก็ททำ เราก็จะไปพูดหรือไปขัดขวางเขาแล้วก็จะทําให้เขาไม่ได้ทําก็ได้เพรฉนั้นเวลาที่เขาทําบุญแล้วเราไม่ชอบเราก็มองว่ามันก็เป็นการทําบุญทําแล้วเขามีความสุขเขาได้บุญเขาทํากับใครทําในรูปแบบไหนก็เรื่องของเขาบางทีเขาชอบทํากับสุนัขบางคนเขาชอบทํากับแมว แต่เราชอบทำกับพระอย่างเงี้ยพอเห็นก็ไปทำกับแมวทำกับสุนัขเราก็ไม่สบายใจเราก็ไม่ควรเราก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาเขารักสุนัขเขารักแมวก็เขาอยากจะช่วยแมวช่วยสุนัข ก, ก็เป็นบุญเหมือนกันแต่อาจจะได้ประโยชน์น้อยกว่าการทำบุญกับพระตรงที่ว่าทำบุญกับพระจะได้ฟังเทศฟังธรรมแต่ถ้าทาบุญกับแมวกับหมาก็ได้ฟังเสียงมันร้อง ข้อที่สองถ้าเราทำบุญแต่เราหวังผลจากบุญที่ทำเช่นบริจาคเงินให้วัดเพื่อหวังใบอนุโมทนาบัตรเพื่อเอาไปลดหย่อนภาษีจะผิดไหมครับเพราะเป็นการทำบุญที่ประกอบด้วยความโลภ ก, ก็ทำให้บุญได้น้อยลงนะเพราะว่าแทนที่เราจะทำร้อยหนึ่งแล้วก็ขอคืนสิบเปอร์เซ็นนี้ก็ทำแค่แค่เก้าสิบบาทมันก็ให้คนอื่นมาร่วมอีกสิบาทคือให้รัฐบาลมาร่วมแทนเรา เราก็ทำไม่ได้ครบร้อยเราก็ได้แค่เก้าสิบถ้าเราอยากจะได้บุญเต็มร้อยเราก็ต้องไม่ไปขอใบลดหย่อนภาษีอะไรทำไปเลยเราจะได้บุญเต็มที่คาถามจากคุณนานะครับเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดอาการคันตามใบหน้าแต่เราก็ยังนั่งภาวนาพุทโธไปตลอดสักพักหนึ่งเรารู้สึกมันแน่นขึ้นมาตรงหน้าอก จนทนไม่ไหวต้องออกจากสมาธิเราจะมีวิธีการทําอย่างไรต่อดีคะว่าเราไม่มีสติอยู่กับการภาวนานั่นเองเวลาภาวนานี้เราต้องมีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจจะเป็นการบริกรรมพุทโธก็ต้องบริกรรมไปอย่างไม่มเหมือนกับลมหายเหมือนกับหายใจ อย่าหยุดหายใจบริกรรมพุทธโธแบบอย่าประยุดน์ถ้าเราอยู่กับพุทธโธแล้วอาการต่างๆมันจะไม่มารบกวนใจแต่ถ้าเราหยุดบริกรรมพุทธโธแล้วไปให้ความสนใจกับอาการต่างๆเราก็จะเสียสมาธิแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะบริกรรมจะนั่งต่อไปได้เห็นเวลาเรานั่งสมาธินี้ต้องมีอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ จะเป็นทารบริการพุทโธก็ได้จะเป็นการเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ขอให้เราทำมีอะไรยึดเหนี่ยวติดใจแล้วอะไรอาการต่างๆมันจะไม่มารบกวนใจแล้วเราจะผ่านมันไปได้คำถามจะคุณตุนศรีนะครับคิดถึงลูกมากๆโทรไปหาลูกเขาตอบมาว่าโทรมาทำไมบอกแม่คิดถึงมาก เดี๋ยว น, นะครับมันเพลื่อนบอกไม่อยากเจอไม่อยากพบไม่อยากฟังแล้วใจสลายควรทำอย่างไรให้ใจสงบคะก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นลูกของเรากแล้วกัน <c oughs> <c oughs> มันมาสายท้องเราอยู่ช่วงราวนั่นเอง เราตั้งท้องขึ้นมาแล้วมันก็เลยมาขอใช้นั่งกายที่เราสร้างขึ้นมาอยู่นั่นเองเมื่อมันไม่มันไม่ยินดีก็ไม่เป็นไรก็ตัวใครตัวมันคำถามจากคุณพัสกรนะครับเขายืมเงินเราแล้วไม่คืนแล้วเราก็ว่าทําบุญทําทานไปซะมันจะได้กุศลไหมครับได้เพราะใจเราจะสบายใจเราจะไม่หงุดหงิดมาคอย รอเมื่อไหร่มันจะคืนกูสักทีพอคิดว่าเป็นการทำบุญมันก็เ อ, อจบสบายใจหมดแล้วครับพระาอาจารย์หมดนะงั้นขอให้คิดทุกครั้งที่กลยมายืมเงินนี่คิดว่ามาถูกป้อนหรืออะไรงก็เป็นการทำบุญแล้วจะสบายใจเรอาอต่อไปจะได้จำไว้ว่า ใครที่จะเป็นโจร น, นี่ก็คือคนที่มาขอยืมเงินเรานี่แหะ <c oughs> คบไม่ได้เราก็เหมือนกันเราก็จะไปยืมเงินคนอื่นเพราะเราจะกลายเป็นโจรเหมือนกันนะอย่ายืมเงินกันนะแต่ถ้าเดือดร้อนก็เล่าให้ฟังก็ได้ว่าโอ้ยตอนนี้เดือดร้อนเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเขาเมตตาสงสารเขาก็จะช่วยเราเองแต่อย่าไปรบกวนจะไปพูดขอเขามันทำให้เขาไม่สบายใจ เพราะเขายังอยากจะเป็นม um. ิตรกับเราอยู่ยังอยากเป็นเพื่อนกับเราอยู่แต่เรามาทําตัวในลักษณะจะเป็นศัตรูกับเขาแล้วเพราะการไปยืมเงินกับเขาอย่างถ้าเราอยากจะเป็นมิตรกันเราอยากไปขอยืมเงินกันอยากไปขอความช่วยเหลือกันแต่เล่าสู่ฟังกันได้ว่าตอนนี้กําลังมีเรื่องราวอย่างนั้นอย่างนี้เดือดร้อนกับเรื่องราวอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเขาเมตตาเขาพอจะช่วยเหลืออะไรได้เขาก็จะช่วยเอง ถ้เาเขาไม่พร้อมก็อยา่าเราก็จะได้ยังเป็นมิตรกันอยู่ได้เพราะว่าถ้าเราไปขอความช่วยเหลือถ้าเกิดเขาไม่ช่วยเหลือเราเราก็จะเสียใจแล้วเราก็จะคิดว่าไม่เป็นมิตรแท้นะเราซึ่งบางทีมันไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องที่บางทีเขาไม่พร้อมหรือเขาเห็นว่ามันไม่เป็นสิ่งที่ควรจะช่วยกันบางสิ่งบางอย่างเราต้องรู้จักช่วยตัวเองหาแก้ปัญหาของเราไปแล้วยอมรับผลจาก การที่เกิดปัญหานี้ขึ้นมาถ้าเรายอมรับวิบากกรรมของเราเราก็ไม่ต้องไปไปขอร้องใครไปขอความช่วยเหลือจากใครแล้วเราก็จะมีสักมีศีลถ้าเราไปขออะไรเขานี่เรากลายเป็นขอทานนะมีเข้ามาอีกไหมไม่ไม่มีครับพระอาจารย์มีใครในที่นี้อยากจะถามอีกไหม